بسم اللهم ا ل ر ح ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولعدوان ا إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م ا ل د ي ن ثم ما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ในสุรทียุนัสอย่างที่เราได้พากันศึกษาเนื้อหาของสุร์ตั้งแต่อาาแรกถอาที่กบสมีข้อสังเกต รูปสุดยูนัสนั้นเป็นลักฐานว่าอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى ดูแลท่านนบีซุลลัลฮวาเลียอุสสลัมท่ามกลางสถานการณ์ที่ขับขันและลาบากขณะทาหน้าที่เผยแพร่อิสลามการให้กาลังใจกับท่านนบีนี่ก็เป็น แค่ประเด็นประเด็นเดียวเกี่ยวกับการดูแลท่านนบีสุลต่านละวะเลยอุสสลัมการดูแลท่านนบีเริ่มต้นตั้งแต่นบีเริ่มเทสนาอายะแรกที่ท่านนบีไปอ่านให้ชาวมักกะได้รับรู้ถึงศัจตรู ที่ a l l ได้ฝากไว้กับท่านนบีให้มาที่ศนากับพวกเขาอิกรับิ سم ิรับบีทั้งที่ได้และหลังจากนั้นหลังจากที่ท่านนบีได้ประกาศว่าท่านเป็นศาสนทูตการนํามาซึ่งกุษย์อันรอวฮิอูวะโดยท่านจะบรีล ก็ได้ล่าช้าไประยะหนึ่งทางชาวมักกาได้มาเยยท่านนาบีเยยหยันท่านนาบีว่า น, นี่ไงไหนว่าอัลลอ์คุยกับเจ้าดูเหมือนว่าอัลลอ์ได้ทิ้งเจ้าไปแล้วเพราะนาบีมาม า, มาสาระสำคัญที่ไม่เคย ท่านนบียมุฮัมมัดไม่เคยพูดมาก่อนนี่ก็คือตอนนี้นะไม่ได้ไม่ได้เป็นมุฮัมมัดธรรมดาแล้วนะเป็นคนที่มีความพิเศษด้วยการรับคำสั่งสอนจากพระเจ้าผ่านยิบรียเนี่ยมาบอกกับมนุษยชาติซึ่งซึ่งเป็นสาระที่ใครๆในยุคนั้นนะก็ต้องแปลกใจแม้กระทั่งคนใกล้ตัวท่านนบีสุลต์ละอะม แม้กระทั่งบุคคลที่เป็นมิจฉายาท่านนบีหลายคนนี่ก็ลังเลใจที่จะตอบรับท่านนบีการที่วะฮยูเนี่ยหรือกุรอ่านได้ล่าช้าไประยะหนึ่งแน่นอนอัลลอฮ์ก็มีมีฮิกม่านี่มีเหตุผลหนึ่งในเหตุผลนี่ก็อาจจะให้ปรากฏซึ่งการโต้ตอบหรือที่เราเรียกกันว่า ฟีดแบกทางชาวมักานี่เขาจะว่าอย่างไงเขาจะตอบตอบกลับมาอย่างไงพอท่านนาบีถูกเยอะยหยันหรือถูกตำหนิว่าไม่ได้ไม่ได้ทำเหมือนที่ท่านพูดก็คือจะนำคำสอนจากพระเจ้านี่มามาเล่าบอกกับพวกเขา เราก็ประทานกุรอานลงมาเพื on, uh, ura, ai, ka, ่อปอบใจท่านนบีโดยเฉพาะโดยเฉพาะหมายถึงว่าคำสั่งสอนที่มีนี่ก็คือเพื่อให้กำลังใจกับท่านนบีโดยเฉพาะไม่ได้เป็นคำสอนไม่ได้เป็นคำสั่งสอนเกี่ยวกับมนุษย์มนุษยชาติ มาวัดดากับรับค่ะวามากลเาวพระองคเลยพระองค์ไม่ได้ทิ้งเจ้ามาวดดากับเราไม่ได้ทิ้งเจ้าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเจ้าโดยลําพังนี่แต่เริ่มเลยนะหมายถึงว่าสองสามเดือนแรกแรกเลยจากการดาวะการเผยแพผ่ของท่านนบีซุนุลลอฮฺอะลัยฮุสซาลฺถ้าเรามองภาพรวม ว่า Allah นั้นเสมือนเป็นเจ้านายและท่านนบีเสมือนเป็นลูกจ้างแล้ว Allah ได้ใช้ท่านนบีให้ทำหน้าที่แทนพระองค์ในการสร่งคำสั่งคำบัญชาของเจ้านายแล้วก็เป็นเจ้านายพวกเราเหมือนกันนบีก็จะเอาคำสั่งของเจ้านายนี้มาบอกกับพวกเรา นบีเสมือนเป็นตัวแทนหัวลอในการสื่อสารเล่าบอกเจตนารมณ์หัวลอกับพวกเรา น, นี่นี่คือคุณค่าของท่านนบีเป็นไปนไม่ได้เท่าโลกสุภานุวตาเาจะปล่อยให้ท่านนบีได้รับแรงกดดันถูกเยาะเยะ้ยถูกดูถูก แล้วไม่มีกําลังใจจากพระองค์มาให้ท่านนาบีเลยเป็นไปไม่ได้ในฐานะที่เป็นเจ้านายที่ต้องดูแลลูกจ้างของตัวเองโซรัดยูนุสนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่มักกะที่นบียังดาว่าอยู่ที่มักกะก็แสดงว่าเป็นช่วงกลางของการเผยแพร่ของท่านนาบีสันนิฐานว่าก่อนฮิจรัชประมาณ สามสี่ปีอะุัดจนุสวิยดาวะกี่ปียีิบสามปีมก้าสิบสามมาดีนะสิบทั้งหมดยี่สิบสามและอันนี้ประมาณผ่านไปประมาณสิบปีก่อนฮิจรัตประมาณสามสี่ปีเนี่ยก็ผ่านไปแล้วเกือบสิบปีอะสิบปีจากยี่สบสามปีก็เกือบครึ่งหนึ่งซึ่งมีตัวอย่างเยอะนะในกุอัน เกี่ยวกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาได้ดูแลท่านนบีซัลลัลลอฮฺอัลลอฮ์สัลลัมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสิ่งที่เราได้สังเกตคือการดูแลสภาพจิตใจของท่านนบีซึ่งเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนทํางานโดยเฉพาะคนที่ทํางานศาสนาคนที่ทํางานศาสนานี่โดย อซ้อนี้มายถึงว่โดยดั้งเดิมงานศาสนานี่นะเป็นงานอสาสาไม่มีการตอบแทนเพราะไม่มีบริษัทใดในในโลกนี้เนี่ยที่จะให้ค่าตอบแทนคนที่ทำงานศาสนานดั้งเดิมมนไม่มีแล้วคนที่ทางานศาสนานี่ก็จะต้อง ต้องนึกตลอดนะครับว่าแบบฉบับของการทํางานของเขาเนี่ก็คือบรรดานาบับเลและรอสุและบรรดานับีบลและรอสุได้ประกาศด้วยการงานของเขาเนี่ยไม่มีไม่มีเงินเดือนกุลลาสะลุกุมะและฮิอจุรอขา้ขาข้าพรเจ้าไปด้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆเลยจากพวกเจ้า ท, ที่ที่มาทําเนี่ยที่มาดาวา่าที่มาเผยแร่ที่มาให้พวกเจ้ารู้จักพระเจ้ารู้จักคําสั่งสอนพระเจ้านี่และสัลุกุมะขา้ขาไม่ต้องการ ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆจากพวกเจ้าอคนที่ทำงานศาสนาก็ต้องนึกนึกถึงเรื่องนี้และต้องไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆในการทำงานศาสนาของเขาต้องไม่เรียกหมายถึงว่า ง, งานศาสนาเนี่ยคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยไม่ควรที่จะต่อรอง คนที่ทํางานศาสนานะไม่ควรที่จะต่อรองฉันต้องมีเงินเดือนเท่านี้ฉันต้องมีค่าตอบแทนเท่านี้เอ้ยไม่เทา่าเงินฉันไม่ทําอะไรเนี่ยไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยไม่ควรเป็นแบบนั้นทำไหวก็ทําทําไม่ไหวนี่ก็ปฏิเสธอุทิศ ง, งานศาสนาทั่วไปนะเป็นครูสอนศาสนาเป็นคนบรรยายเป็นคนทํางานศาสนาทั่วไปกําหนดเงินเดือนนะนะกําหนงงดเงินเดือนตั้งเงินเดือนทํำไมให้เท่านี้เนี่ย ค้าไม่ทําอันนี้ไม่ควรเลยซึ่งสภาพของคนที่อาสาไหนจะต้องรักษาอุดมการอุดมการณ์ว่างานของตัวเองเนี่ยเป็นงานอาสาแล้วคน อ, อาสานี่หมายถึงว่าแล้วจะได้ผลตอบแทนจะใครอะไรกันฉันร้องไงนี่ต้องอุดมการณ์ที่รักษาไว้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะเสียเปียบหลายเรื่องคนที่ทำงานสฆษณาเนเสียเปรียบหลายเรื่องทีเดียว ผลประโยชน์สวัสดิ์ีกุงสวัสดิการอะไรต่อมีอะไรนเสียเปรียบเพราะถ้าหากว่าเขาใช้เวลาในการศึกษาสามัญทั่วไปในการทํางานสามัญทั่วไปแล้วก็เรียกร้องเงินเดือนสวัสดิการเนี่ยเขาคงจะไม่ต้องไม่ต้องม า, มาลำบากลําบนแบบนี้เขาต้องเสียเปรียบไหนจะเสียเปรียบไหนจะต้องรักษาอุดมการณ์ว่าทํางานเพื่อเอาล้อยอย่างเดียวสภาพจิตใจจะไม่ยแย่ล่ะแถมอีกนะ ทางานศาสนานี่ต้องทํางานกับทัวลงตลอดไม่ได้เป็นไกลนะแต่ทัวลงตลอดคนไม่ชอบไงไปห้ามเขาไปห้ามเขาไม่ให้กินเหล้าไปห้ามเขาไม่ให้เสพยาไปห้ามเขาไม่เล่นกนรนารพนันไปห้ามเขาไม่ทำคาสิโนไปห้ามเาไม่คมเ็นชาวบ้านไปอู้ไ ป, ه, ไปอะไรกันนะกันหา แน่นอนก็ไม่เคยมีใครชอบคีน่ากดดันเยอะส่วนมากในสภาพจิตใจเนี่ยจะต้องจะต้องเจอกับต้องเจอกับวิกฤตคือเราจะชอบเราจะชอบวิจารเดี๋ยวจะชอบว่าบางคนเนี่ยแบบว่าคนขี้งอนนะ่ะนะ คนขี้งอนเาจะชอบว่าเขาอ๋อจิตใจเขาเปราะบางมนุษย์ทุกคนเนี่ยจิตใจเปราะบางไงจะบอกให้ทุกคนนี่ยไม่มีหรอกมนุษย์คนไหนนี่กระด้างหน้าด้านไม่มีหรอกไอคนนี้เราเรียกกระชี้ว่าชี้หน้าเขาว่าหน้าด้านนะ่ะนะเขาในลึกๆนี่เขาก็ช้าเหมือนกันนะแค่ไปชี้ว่ามึงอะหน้าด้านเนะี่ยเขาก็ช้าแล้วนะเขาก็ไม่ได้สนุกนะเดีขาไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ไปว่ามึงอะหน้า ไอ้แค่นี้ก็กระชําแล้วนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยเปราะบางทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะทนทานใครจะสู้กับสถานการณ์มากกว่าคนอื่นมนุษย์ทุกคนสภาพจิตใจของเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยคาดการอะไรไม่ได้คนเราเองเนี่ยก็คาดการตัวเองไม่ได้เลย เมื่ไรจะมโหเม่อไหร่เมื่อไหร่จะเศร้าหรือไม่เศร้าบางสถานการณ์นี่เราก็เศร้าบางสถานการณ์คล้ายๆกันก่อนไม่เศร้าสภาพติดใจของมนุษย์เนี่เปราะบางจริงๆและยิ่งคนอย่างท่า น, นนาบีสุลต่านสุลต่านที่เต็มไปด้วยมารายาทต่างๆโดยเฉพาะ ม, มารายาทที่มีความเปราะบางมีความละเอียดอ่อน เช่นความละอายท่านนาบีเนี่ยเป็นคนขี้อายขี่อายนี่ต่ภาษาไทยนี่ก็มีคําศัพท์อื่นๆนะเช่นท่านเป็นคนขี้เกง่ใาาเกงใจในภาษาอังกฤษมันไม่มีนนคําว่าเก่งใจเนี่ยภาษาอังกฤษไม่มีไปดูละชาวโลกมน่าจะยี่สิบเล่มแล้วไม่มีเป็นเรื่องแปลกนะ หมายถึงว่าคําตรงครําศัพท์ตรงอะ น, นะไม่มีแต่มันก็ใกล้เคียงกันขี้อายกับขี้เกงใจใกล้เคียงกันมีผลเดียวผลใกล้เคียงกันผมเหมือนผลที่มันเหมือนกันคนขี้อายคนขี้เกงใจเนี่ยจิตใจเขาเบาะบางขี้เกงใจไงพวกเราแค่ดึกถึง สภาพการต่อสู้ของท่านนบี้สอลลลาหวอะเลยสัลละที่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆคนเราเนี่เห็นลูกเห็นคนใกล้ตัวคนที่เรารักเขาเนี่ยเขาเสียใจเขาร้องไห้เขาน้ำตาไหลเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเห็นคนแค่คนใกล้ตัว ใกล้ตัวเรานี่นะเขาเขาเสียใจเ้าร้องไห้เห็นน้ําตาเ้าไหลาบางทีเนี่ยไม่ใช่คนใกล้ตัวนะบางทีคือคนที่เราไม่รู้จักเลยอย่างพี่น้องชาวกาซ่าเนี่บางทีดูคลิปเด็กร้องไห้น้ําตาไหลยอย่างเงี้ยหิวไม่มีจะกินนี่นะทนไม่ได้เลแล้วจะยังไงกับตัวท่านนบีที่เป็นที่รักของเราที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน ถ้าเรารู้ว่านบีเสียใจยนบีเสียใจยนบีเศร้าใ จ, จอาจจะได้ยินคํานี้บ่อยในกุรานมีระบุมหาหครั้งในกุรานว่ละฮซุนกะเจ้าอย่าเสียใจเจ้าอย่าเศร้าใจแต่นั่นไม่ได้หมายรวมว่านบีได้เสียใจยเพียงห้าครั้ง แต่ที่คนนึกว่าเอา้าและมีเรื่องนบีเสียใจลองจินตนาการนี่นัง่งจินตนาการดูนี่ว่าตอนที่ท่านนาบีเสียใจเนี่ยสภาพจิตใจตอนนั้นนะท่านนาบีเป็นยังไงในความลำบากที่ท่านนาบีจะต้องเจอแต่ละเรื่องเอาของดีๆมาให้ชาวมักก้านี่ถูกด่ากลับเอาหนามมาวางบน ถนนที่ท่านเดินเอามูลสัตว์นี่มาวางบนศีรษะของท่านโดนด่าไอ้บ้าก็มีไอ้นักสยศาสตร์ก็มาคนเรานี่ถ้าถ้ามีใครถ้าในสังคมเนี่ขึ้นรถเมล์แล้วก็มีคนชี้หน้าเราเนี่ยไอ้บ้านเนี่ยของขึ้นแล้ว嘛นะ นี่ผู้หลักผู้ใหญ่คนสําคัญในสังคมอะใต้ไหนแต่ไหนนี่นระวังนะคนบ้าคนโดนของมียินอยู่ในตัวมัวอัลลัมมุมมะจุนูนมัวอัลลัมมียินมาสอนมียินมามากระซิบบอกเนี่ยที่ที่พูดเนี่ยนะคุรานี่นี่ยินมาใส่ใส่หูทบสารพัด คิดว่านาบีฟังเรื่องนี้พอกลับบ้านเนี่ยนบีไม่คิดอ่ะคงไม่มีไม่มีไม่มีหนังสือหรือ บ, บทความเฉพาะเนี่ยที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านานาบีจะต้องเจอที่มันไม่มีผมก็อ่านหนังสือชีวประวัติเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ ผรู้ทุกคนที่เขียนหนังสือนี่ก็คงจินตนาการแหละและคิดว่าที่เขาไม่ได้เขียนลงมาเนี่ยเป็นแ ล, ล้วละอักษรเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่เขียนยากเขียนยากเขียนว่านาบีเสียชีวิตเสียเสียใจเองนบีเสียใจนบีเศร้าใจ ม, ม่รู้จะที่แบ่ง ย, ยังไงความเจ็บใจที่ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยจะต้องจะต้องพบจะต้องรู้สึก แต่วถคนใกล้ตัวนี่เสียใจเลยเสียใจเสียใจเพราะถูกถูกกันแก้งถูกรังแกงอย่างท่านนบีสลต่าอเลยลมทุกวันสิบสามปีนี่สิบสามปีอยู่ที่มักกะนี่ถูกรังแกงตลอดทุกวันบางเรื่องที่ท่านนบีถูกกันแกงนี่คนเราอาจจะทนไม่ได้ แค่นึกแค่นึกว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับเราโน้ตัจะทนไม่ได้ยอมเสียค่าปรับนะบงที่เขาเสียค่าปรับมุสลิม่าที่ที่โดนด่าเนะ่ยมุสลิม่าที่ไป ว, วางกระเป๋าเข้ า, าอะไรเขาเนี่ยที่ที่โดนดา่าจําได้ไหมสุดท้ายเขาก็ไปแจ้งความนะ ก็ไปเชื่อความนะทำไมอย่างเอากดศาสนาแล้วก็ด่าพ่อแม่เขาด้วยเขาก็อยากจะให้อยากจะ้ขอโทษ ค, คิดดูสิ น, นบีดาว่าสิบสามปีถูกดา่าไอบา้บ้านักสยศาสตร์ไอ้คนที่โดนยินเข้าคนและนบีไม่เคยเรียกร้องเลยบอกว่าไอ้้มาขอโทษแล้วฉันจะให้อภัยาป๊บๆเลยขอให้รับอิสลามแล้วทุกอย่างนี่จบ หรือไม่รับอิสลามนี่มันก็ไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับฉันก็ได้แต่ไม่ต้องมาขอโทษด้วยไม่ไม่มีในประวัตินบีนะเฮ้ยมาขอโทษฉันได้ด้วยนะเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวฉันจะเรียกเผ่านู้นเผ่านี้บรรพบุรุษปุยญาตายายที่ฉันเคยเป็นเป็นผู้นำเนี่ยปุยญาตินบีเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเมืองมักกะเป็นผู้ก่อตั้งอํานาจของกุเรเชษในเมืองมักกะอุซัยบ์นิกิลาบเนี่ยอูทวดของท่านนบี เป็นผู้ก่อตั้งอำนาจของกุเรชในมกกะกาเนี่ใครจะไม่นึกถึงบุญคุณเขานี่ก็คือไม่รู้ประวัิศาสตร์แล้วน บ, บีไม่เคยทวงบุญบุญคุณน่ะนะเฮ้ยพวกเองต้องมาขอโทษฉันนะสแสดงว่าน บ, บีไม่ได้เสียใจอย่างเดียวนะน บ, บีเสียใจแล้วก็เก็บความเสียใจไว้ด้วยความอดทนของท่านน บ, บีในการที่จะให้ สภาพจิตใจของท่านนาบีเป็นแบบนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรที่ทำให้ท่านนาบีเนี่ยอดทนขนาดนี้ได้ถ้าดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่จะปลอบใจท่านนาบีดีกว่าที่อัลลอสุบฮานวาวาตาเองเพระองค์ท่านเองให้กำลังใจกับท่านนาบีคนเราี่ถูกกันแกล้ง คนนี่มากันแกล้งเนี่ยเขาเขาไม่ได้มาขอโทษไม่ได้มาอะไรนะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยคุมทุกอย่างเขานี่มาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับพวกนี้เองเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวเดีจะช่วยเหลือให้โอเคนี้เราก็แล้วก็โอเคแล้วคิดยังไงถ้าเราเสียใจ ใครมะเสียใจและไม่มีใครสนใจที่จะมาให้กำลังใจเราเลยนะไม่มีเลยแล้วก็มาเก็บความเสียใจนี่มาม า, มาเก็บไว้ยวห้องนอนก่อนก่อนนอนเนะี่ยไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยมันยูนมันยูนข้างในอะลองจินตนาการภาพนี้นะไม่มีใครมาอยู่ดีด Allah มาบอกกับเราอย่าเสียใจข้อมูลอันนี้แหละนบีได้รับการปลอบใจห้าครั้งในคุรานนะนะคำนี้เจ้าอย่าเสียใจนะเพราะงั้นน่าจต่อันนี้แหละทุกคําที่ Allah ได้บอกกับท่านนบีว่าเจ้าอย่าเสียใจนะมันก็เป็นคําปลอบใจกับ ผู้ศรัทธาทุกคนเช่นเดียวกันเพราะคำนี้อัลลอฮ์ไม่ได้พูดกับท่านนบีและจบไปมันมีหลายเรื่องที่อัลลอ์แจ้งกับท่านนบีแล้วก็ผ่านผ่านท่านจิบลีนะหลายเรื่องแต่ไม่ได้เป็นกุรอานแล้วก็ไม่ได้เป็นหะดีษเป็นความรู้ที่ฝากไว้กับท่านนบีและจบอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอันนี้ ต้องไปดาวะต้องไปอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งการก็จบแค่นี้อัดนี้สุบท่านนึงท่านดะบิซัลลอฮฺอะไรยู่สั่นแล้มได้บอกว่ามีมาเลย์ก็ท่านหนึ่งที่เป็นผู้แบกบอลลังท่านหนึ่งผู้แบกบอลลังมีกี่ท่านใคร ปเลขแปดนี่ลืมไม่ได้นะยิ่งถ้าเป็นคนจีนเลขแปดทำไมเลขแปดเออนี่เรื่องนีเรื่องนี่ยาวเรื่องยาวทำไมต้องแปดแต่มันไม่ใช่ประเด็นนะต่าผู้แบกบรลลังก์ของท่านนาบีนี่มาอลไรก็แปดท่านนาบีบอกว่าข้าพเจ้า ถูกอนุญาตให้พูดถึงมาเลย์กาท่านนี้ในท่านหนึ่งมาเลย์กาท่านเดียวนะที่กําลังแบกบรลลังของพระองค์เนี่ยระหว่างหูของท่านเนี่ยแสดงว่ามาเลย์กาบ า, บางท่านจะมีหูนะหูของท่านนี่และบาเนี่ยระยะห่างทีนี้ระยะห่างนี่ห้าร้อยปีห้ารอยปีนี่นะบีก็ไม่ได้บอกห้าร้อยปีนั่งอูดคี่อูดหรือนั่งจรวดไม่รู้ แต่มันก็แค่อุทาหรณ์ไงฮะแค่นี่ห้าร้อยปีนะคำว่าท่านหนึ่งถูกอนนญาตแสดงว่ามีที่ไม่ถูกอนนญาตถูกต้องไหมแสดงว่ามีในที่เล่าที่บอกนะัแต่ไม่ไม่อนุญาตอันนี้ไม่ให้พูดทาไมเ่พเอจะพูดแล้วนี่เราสมองมนุษย์นี่อาจจะรับไม่ได้การนิเทนนบีได้ ได้ถูกอนุญาตให้เอาสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺมาปรกอบใจเนี่ยมาเผยแพร่แสดงว่าแสดงว่าอัลลอฮฺประสงค์ที่จะให้พวกเราได้รับรู้เรื่องนี้ถ้าเราบอกกับท่านนบีเจ้าอย่าเสียใจแสดงว่าอัลลอฮ์อยากจะให้เรารู้คํานี้ที่อัลลาพูดกับท่านนบีเจ้าอย่าเสียใจ แล้วถ้อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เรานี่รู้นี่นี่ี่เราเรามาเรียนรู้รู้กันแล้วก็ได้ได้ถึงบทที่อัลลอฮฺสุบฮานะอาจาบอกกับท่านนบีเจ้าอย่าเสียใจเกี่ยวอะไรกับเราหนึ่งอัลลอฮ์ต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยมาถึงเรานะมาถึงเรานะให้รับรู้นะสองคุรานนี่ยทุกคํานะทุกคําในกุรานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานลงมาเพื่อเป็น ทรัพย์สมบัติส่วนตัวของท่านนาบีหรือของคนหนึ่งคนใดกุฎี น, นี่ลิลลาอัลมีดสำหรับสากลละลุกฉะนั้นอุลมาที่มีทัศนะบอกว่าเอากุาีหรือความหมายกุานให้พี่น้องต่างเส้นได้ศึกษาได้ไหมมีทัศนะที่บอก็ไม่ได้ให้ต่างเส่นที่สัมผัสกับกุฎา น, นี้ไม่ได้ แต่เวลมาอีกทัศนะหนึง่งบอกว่าทำไมไม่ได้หนึ่งไม่เหตุผลของเ ข, งขาเนี่ยเขาบอกว่าก็เท่ น, นบีเขียนหนังสือจดหมายไปยังเฮราลิสกษัตริย์ของโรมันมีเขียนกุรอ่านไว้ด้วยอัี้ซึตวทีบุคอดีแลมุสลิมแต่เหตุผลที่ที่กินกับปัญญามากกว่า ว่ากุรั้นนี้ไม่ได้ถูกประทานลงมาให้ผู้ศรัทธาอย่างเดียวใช้ประโยคนี้เพื่อความระมัดระวังหน่อยกุรั้นนี้ไม่ได้ถูกประทานลงมาให้แกผู้ศรัทธาอย่างเดียวอันที่จริงแล้วถ้าเราใช้ประโยคคาว่าแท้จริงกุรัานก็ถูกประทานลงมาเพื่อให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาต่างหากทำไมอะ เพราะสมมติฐานว่ากูอ่านนี้เนี่ยมาจะได้ให้คนออกจากความปฏิเสธไปสู่ความศรัทธาลิอุคริจหุมมินับโวลูแมทิเอลนูรให้มนุษย์ออกจากความมืดความมืดนี่คือการปฏิเสธสู่ความสว่างคือการศรัทธาเอานะลองลอ ง, ลองนึกภาพดีถ้ากูอ่านตอนนี้นี่นะเป็นคําพีเฉพาะมุสลิมอย่างเดียว คนนี้ไม่ใุสลิมเนี่ยห้ามห้ามแต่ห้มยุ่งลองนึกภาพดิแล้วเขาจะเรียนรู้อ่ายังไงแล้วเขาจะเข้าใจกุรอาแล้วเขาจะรู้สารที่มาจากพระเจ้ายังไงเป็นไปไม่ได้มันผิดวัตถุประสงค์ของการประทานลงมาของกุรอานอย่างสิ้นเชิงเลาต้องการให้กุรอานเนี่ยได้ถึงมนุษย์ทุกคนถึงจะเป็นผู้ไวศรัทธาทำไมอ่ะพระเจ้านี่ไม่ใช่ของมุสลิมหมายถึงว่าพระเจ้านี่อัลลอฮ์นี่ของมุสลิม คนเดียวนะคนอื่นไม่ต้องยุ่งนะกุร <c oughs> อ่านก็เป็นของมุสลิมนะ่อยคนอื่นอย่าแตะนะอย่ายุ่งนะของข้าคนเดียวนะั่นนี่ไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองที่มีมีทรัพสมบัติสำคัญที่สุดที่ล้าค่าที่สุดในโลกนี้ความสำคัญของกุรอ่านเนะี่ยอยู่ที่ว่ากุรอ่านเนี่ยจะต้องเป็นสาธารณะสมบัติต้องเป็นของทุกคนในโลกนี้ และหน้าที่ของมุสลิมทุกคนเนี่ยที่จะต้องให้มนุษยชาติทุกคนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะและยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ให้เข้าถึงกุรานนี้ให้ได้นี่เป็นหน้าที่ของมุสลิมนะโดยแท้เลยนะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วแสดงว่าถ้าคำว่าลายฮุมกะเจ้าอย่าเสียใจมันเป็นคําสั่งเฉพาะของท่านนบีอย่างเดียวแสดงว่า ทุกอายะที่เกี่ยวกับท่านนบีเนี่ยเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วมันจะขัดมันจะขัดกับอายะในกุรานหลายอายะที่ได้เยืนยานัวคุรานทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นฮีดายะเป็นมอไอ้ะเป็นชีฟาอย่างที่ผ่านไปแล้วน่อายะที่ผ่านไปแล้วนี่เท่าไหสบกว่า قد جعتكم مواعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن بنهداية بن, بن يا بابات تطسون. لانه اذا نحن نسمع كلمة لا تقلقي نفكر في هذا الكلام هو كلمة تساعدنا ي التعامل مع المشاكل ซึ่งจะเป็นอายะแรกในท่อนอายะช่วงกลางของสุรยุนุสเทอโลมาโตและตักเตือนผู้ปฏิสทธาโตด้วยการให้กำลังใจท่านนาบีก่อนนะก่อนที่จะไปโตนให้กำลังใจท่านนาบีท่านนาบีจะได้ไม่ท้อในการทำหน้าที่เผยแพร่คำสอนของพระเจ้า ว่ ولا ي ة ه ا, ا, ا ي حزنكقولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم และคาพูดของพวกเขาจะไม่ทาให้เจ้าเสียใจนี่เขาแปลแบบนี้ซึ่งน่าจะคัดเคลื่อนผู้แปลอาจจะเข้าใจว่าและแลนี่คือปฏิเสธย حزنك นี่เป็นกริยาการย่าพรีเซนตนะการยา หมายถึงว่าคำพูดของเขาจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจแต่ที่จริงแล้วแลนี่เป็นลาห้ามเป็นเป็นกริยาห้ามและย่าุงกะเจ้าอย่าเสียใจหรือคำพูดของพวกเขาอย่าทำให้เจ้าเสียใจเพราะถ้าหากว่าตามที่เขาแปลตรงเนี้นะคำพูดของพวกเขาจะไม่ จะไม่ทำเอแค่ปฏิเสธจะไม่ได้เป็นข้อห้ามไม่ได้เป็นคำคห้ามมันโครงสร้างของภาษาหรจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าว่าะว่าะฮัุนฮุนกันิีมัจุนเนี่ตรงนี้นี่นะตัวนูนเนี่ยว่าะฮัุนเราอ่านว่าะฮัุนตัวนูนเนี่ยมันมีสกูลแบบนี้ฮะสกูล ว่าอะไรฮะจุ้งให้ตัวนูนเนี่ยต้องต้องนิ่งแต่ถ้าหากว่ามันแค่ปฏิเสพว่าแล่ล่แล่เนี่ยจงอย่านะมันต้องทําให้กริยาเนี่ยมีมีอะไรอ่ะมีอาการของของการห้ามก็คือสุกูลตัวเนี้แต่ถ้ามันการปฏิเสธเดียเด่ยวนะมันจะต้องเป็นมารฟู ع, กริยานี่จะมารฟู ع, คือจะต้องมีตัวนี้ เวลาฮัจูนุกะเวลาฮัจูนุกะเขาจะไม่คำว่าเขาจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นคำแปลเนี่ยน่าจะมีความคาดเคลื่อนนะคำแปลที่ถูกต้องนี่ก็คือและคำพูดของพวกเขาอย่าทำให้เจ้าเสียใจหรือ เจ้าจงอย่าให้คําพูดของเขาทําให้เจ้าเสียใจวลกะกาวลวายฮซุนกับเกาลูมะช่นกันเกาลูหุมนี่นี่คาว่าเกาลูหุมนี่ก็เป็นยาฮซุกนกันนี่คือกริยานะก็บเกาลูหุมก็คือเป็นเป็นประธานอย่าทําให้คําพูดของเขาเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้เจ้าเสียใจ คำพูดของเขานี่คืออะไรคำพูดที่เขากันกันแหนกันแกล้งท่านนบีดาทอท่านนบีการปฏิเสธท่านนบีปฏิเสธคุรานของท่านนบีอย่างที่บอกว่าสูรหลัดยูนุสนี่ตอบใจประเด็นเดียวเป็นหลักคือที่เขาที่เขาปฏิเสธคุรานนะทําไมทาไมต้องปฏิเสธกุรานนี่เป็นเป็นเรื่องดีๆที่ท่านนบีมาสอนเขาทั้งนั้น เราก็มาปลอบใจที y ad, y ่เขาปฏิเสธคุตัานเจ้าอย่าอย่าเสียใจเพราะการปฏิเสธคุตัานการนี้เขาไม่ยอมรับในกุตัานในคําดํารัสของพระเจ้าเจ้าอย่าเสียใจตรงนี้เห็นตัวมีมมั้ยนีตัวมีมเล็กเล็กเห็นไหมเห็นยังอะไรตัวมีมมีใครรู้ไหมอ่าบังคับหยุดอะไรหมายถึงว่า ว่าเลี ج ود ج ود ج ود ้ยพจน์ก็กลัวลูมีดหุยยดยห้ามอ่านต่อทําไมอ่ะเพราะถ้าอ่านต่อเนี่ยมันจะมีความหมายที่ไม่ถูกต้องว่าเลี้ยพจน์ก็กลัวลูมอินน์ละอิซตะลิาฮิาให้คําพูดของเขาว่าอํานาจทั้งปวงเป็นของอร่อยนี่ทําให้เจ้าเสียใจซึ่งเพี้ยนเลยต้องแยกกลัวุมนี่น่ะคําพูดของเขาเนี่ยไม่เกี่ยวกับ ที่จะมาที่หลังนี่นะคำพูดของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ดีเขาปฏิเสธนบีีเขาต่อต้านนบีนะคาพูดของเขาอย่าทาให้คาพูดเหล่านี้ทาให้เจ้าเสียใจเริ่มใหม่ประโยคใหม่เลยนะอินนัลซตลิลลาฮิมีอแทจริงอานาจทั้งมวลนั่นเป็นของอัลล์อันนี้เป็นประโยคใหม่อินนัลซตลิลลาฮิมีอ อิสลามมัตเดชานุภาพแต่ต อ, อบใจท่านนาบีว่าที่เขากันแกล้งที่เขาต่อต้านนี่นะถ้าเทียบแล้วกับการที่อัลลอ์อยู่ข้างเคียงเจ้าเนี่ยถ้าเจ้าเทียบแล้วอะนะเทียบแล้วนี่เจ้าไม่ต้องเสียใจเลยและนี่คือบทเรียนที่ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยจะต้องมีจักชีวประวัติของท่านนาบีสุลล็อห์อะลัยฮัลลัม ท, ทีา น, นาบีได้นึกถึงความช่วยเหลือของอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลานึกถึงการที่ท่านนาบีอยู่อยู่ฝังของอัลลอฮ์นี่เพียงนึกถึงสภาพของเรานี่ว่าเราเลือกข้างเลือกฟังของอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาอันี่ก็เพียงพอแล้วท่ามกลางที่เราจะถูกต่อต้านถูกด่าทอ ค้นหาให้ดีนะจุดยืนของเรานี่มันถูกต้องไหมตามคำสั่งของพระเจ้าไหมถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนี่เทียบแล้ว่อเคอยู่แค่อยู่กับอัลลอฮ์นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเราจะเจ็บแค่ไหนจะเสียหายแค่ไหนจะขาดทุนแค่ไหนมันเทียบไม่ได้นะก็อ ย, อย AH ู่อยู่กับอัลละ์นี่อยู่กับอัลละ์ ชีวิตของเราก็ต้องเจอแหละเจอเยอะปัญหาปัญหาเรื่องไรายได้ปัญหาเรื่องเงินเดือนปัญหาเรื่องริสกีปัญหาเรื่อ ง, องคนคนไม่ค่อยเอาด้วยไม่ค่อยเอาด้วยกับเราเพราะอะไรคนไม่เอาด้วยกับเราเพราะอะไรต้องถามตัวเองนะ เพราะการที่เราได้หาจุดยืนที่ชัดเจนที่ทําให้คนอื่นเนี่ยไม่เอาด้วยกับเราเนี่ยมันมีผลกับความถูกต้องของจุดยืนเนี่ยว่ามันจะมีความชอบมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่า ง, งยกตัวอย่างเนี่ยคนเขาไม่ชอบที่หน้าผมนี่ทําไมอ่ะเพราะผมไม่ชอบเพราะผมนมี่เป็นคนตรงชอบพูดตรง พอไปถามชาวบ้านเนี่ยเผาเนี่ยไม่พูดตรงมันชอบด่าชาวบ้านไอ้เขานี่เข้าใจว่าถ้าด่าชาวบ้านนะ่ะนะหมายถึงว่าสูงตระกนี่ทำเรื่องนี้ไม่เป็นเนี่ยมึงน่ะโง่อันนี้พูดตรงอนนพูดตรงก็จริงมื่อไหร่เขาเชื่อเขาพูดตร ง, ตรงผมนี่เนี่ยเป็นคนไม่ผมพูดตรงเลยเป็นยังไงก็ยังงั้นผมไม่ชอบ นี่เนี่ยคนเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าผมนี่พวกผมแต่ผมไม่สนใจอะ่ะถ้าผมพูดตรงถูกต้องแล้วผมไม่สนใจอะ่ะคนจะไม่เอาผมนี่ผมไม่สนใจผมถูกต้องอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือมันไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ <c> ้น <oughs> จริงเราละหมาดเพราดูละหมาดเสร็จแล้วใช่ไหมจะมีคนสังเกตมีคนหลังหลังละหมาดเสแล้วมีคนชอบฉลามใช่ไหม มันไม่ควรเพราะหลังสลามเสร็จแล้วเนี่ยมีภารกิจที่ต้องทำนี่ก็คือซิกุรุลอหลังละมาศและการสลามเนี่ยจะทำให้ภารกิจนี้เนี่ยมันขาดช่วงไปซึ่งในแบบฉบับเนี่ยมันไม่มีขาดช่วงเนี่ยมันต้องต่อเนื่องหลังละมาดหลังสลามเสร็จแล้วนี่ก็ต้องซิกุรุลลอเพราะถ้าหาว่าสลามกันได้เนี่ยนะ อาสูงนูมสศิลละมาดกันยี่ิบคนหลังสลามเสร็จแล้วเนี่ยยีิบคนต้องสลามกันแล้วจะสิกุลว่าหลังสลามได้ไหมไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นอุลามาก็บอกว่าสลามหลังละหมาดเนี่ยมันมีแบบฉบับมันไม่อยู่สุนนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นข้อที่จริงสลามสัมบัตมืออย่างเงี้ยอัสลามหลังละหมาดหลังสลามทันทีเลยนะหลังสลามที่ละหมาดทันทีเนี่ยแล้วจะมาสลามจับมือกันอย่างเงี้ยสลามกันอันนี้ไม่มีแบบฉบับ แต่ไม่ไดีหมายรวมว่าถ้ามีคนมาสลามเนี่ยเราจะต้องพัวมีคนหลังสลามมาสลามอะ่ะเราก็มายื่นมือเนี่ยไม่ใช่ซุนนะมันเพ่เกิดขึ้นจริงอีกคนเขายื่นมือมาสลามนี่ก็มองมองไม่มีซุนนะให้สลามเขาก็เลยสวนกลับมาแล้วก็มีซุนนะพูดแบบนี้เหรอและมีซุนนะให้เตือนแบบนี้เหรอ นี่ไงเขาพูดตรงเขาพูดถูกไงเขาพูดตรงผมพูดตรงผมไม่อ้อมพูดตรงเลยนะไม่มีสุนนะถูกต้องแต่มันก็มีสุนนะให้นําเสนอถ้ารับสลามเขาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องดีที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตลอดไปแต่ถ้าทาแบบนี้นี่นะหรือไม่พูดอะไรเลยนะเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้รับสลามเขาแล้วบอกว่าบางหลังละหมาดนี่ไม่มี จุดนันนี่เราต้องรีกรันอ่อให้เต็มที่นะแล้วก็เสร็จแล้วนี่ค่อยสลามกันน บ, บีเขาทำแบบนี้เราก็ต้องค้นหาตัวเองว่าจุดยืนของเราที่ทำให้คนเนี่ยต่อต้านเราไม่ชอบเราเนี่มันมันเพราะอะไรมันเพราะจุดยืนของเราจริงๆหรือเพราะการนำเสนอของเรารวมถึงปฏิกิริยาของเราในทุกภาคส่วนในชีวิต คุยกับเพื่อนคุยกับคนในครอบครัวคุยกับเจ้านายคุยกับลูกน้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่คุยกับผู้น้อยคุยกับใครก็ตามที่อาจจะทําให้เขาเหนี่ยไม่สบายใจไม่สบายใจเพราะอะไรมันมีข้อผิดพลาดอะไรไหมที่เราได้ทําไปทําให้เขาไม่สบายใจถ้าไม่มีอะไรเลยข้อผิดพลาด ก็คือการที่เขาได้รับรู้ความถูกต้องจา ก, จากเราเอย่างถูกต้องอย่างดีงามอย่างสวยงามแล้วนี่นะอันนี้เราไม่ผิดไม่ผิดละผมชอบมันนะ่ะแต่เรื่องเดียวมันชอบมาเตือนผมเรื่องบุหรี่เตือนผมเรื่องกินเหล้าเรื่องผมไม่ชอบให้มาเตือนผมแบบนี้นะ่าชัดชัดละว่าจะได้เป็นเพื่อนกันได้อนะไม่ต้องเตือนกันแบบนี้ไม่ได้สินี่มุสลิมอยู่ด้วยก อยู่ด้วยกันไม่ต้องเตือนเห็นพี่น้องกันกลังจมน้ำอยู่แล้วก็ปล่อยเขาไปให้เขาจมให้เขาให้เขาฆ่าตัวตายแบบนี้แล้วแล้ก็ไม่สนใจนี่ น, นี้ไม่ใช่พี่น้องกันแ น, น่นอะการที่อัลลอฮฺบอกไอ้ท่านละละมูฮัมหมัลานะัยสัลลัมให้คำานึงถึงอำนาจของอัลลอฮฺสุภานะหัวตจละเพราะนี่คือที่สุดของความอุ่นใจที่สุดของความอุ่นใจ มีใครเคยไปทาเนียบรัฐบาลทําทเนียทำยทำเนียบทำเนียบรัฐบาลมีใครเคยไปครับเคยไปนะเขาเข้าไปในตื่นเต้นไหมตื่นเด้นนะมีต้องทำยังไงเข้าที่ไหนอะไรอย่างี้ใช่ไหมทุกคนยิ่งถ้ายิ่งถ้าบบว่าเรามีธุระที่นู่นต้องไปหรือมีผู้ใหญ่เขาสั่งมาไอ้มานี้ให้เรียกคนนี้มานี่ไปที่ไหนที่มีคนคน มีอำนาจหน่อยอะนะเขาเขาเรียกเรามาเลยเข้าโรงพักอะไรเงี้ยเขาา้าศาลขึ้นศาลหนึ่งมันมันกลัวดิมสมมติว่าเราไปทำเนียบมะานะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาเรียกมาแล้เจ้าหน้าที่เขาเรียกเขาเรียกวาี่มาพบนายกมีเรื่องมีปัญหาเราไปอะไรเราไป เดียวกับอังคกลอะไรหรือเปล่าก็งวลเดวนี้นี่ยทำอะไรเอะะอะไรนี่ยอะดีวก็โดนเรียกโดียก็สารนู่นสารนี่แต่เราไปนี่นะโอ้มีนาบัตรของของพี่หนูเขาให้ไว้นาบัตรพอเข้าไปประตูที่ไหนเนี่ยอืมนอชนท่านท่านท่านท่านท่านท่านนท่านนท่านท่าน่านานา อำนาจที่แท้จริงนะในโลกนี้นะเราจะสัมผัสเฉพาะอำนาจของคนไงของคนถ้ามีอำนาจของคนจริงๆนะั่นเราจะอุ่นใจสบายใจแต่สำหรับผู้ศรัทธานี่ต้องมองข้ามเรื่องนี้ให้ได้อำนาจของคนเทียบกับอำนาจของพระเจ้าที่เราศรัทธาเราเชื่อในอัลลอฮ์ที่มองไม่เห็นนะมากกว่าที่เชื่อในมนุษย์ที่เรามองเห็น สมัมการนี้เนี่ยต้องอยู่ในหัวใจของเราในสมองของเราตลอดชีวิตมันจะช่วยได้เยอะเลยอ่ะแต่ตามเราเชื่อในสิ่งที่เราสัมผัสที่มองเห็นเชื่อในคนที่มองเห็นมากกว่าพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นนะ น, ะนั่นแหะเราต้องม า, มาบำรุง إ ي م านให้มันปรับ إ ي م านให้มันถูกต้องมันเพราะมาทุกอย่างมันจะแย่หมดถึงแม้ว่าเรายังอ้างว่าเป็นมุสลิมแต่ไอจุดเนี้ยมันยังยังไม่เคลีย เชื่อในวัตถุเชื่อในคนเชื่อในสิ่งที่ันสัมผัสมากกว่าสิงฉันเชื่อในในบ้านใหญ่โตที่มีแอร์มีเครื่องอํานวยความสะดวกมากกว่าเชื่อในสวรรค์ น, นี่ของจริงมีคนก็จะให้บ้านมีคนก็จะให้รถมีคนจะให้เงินเดือนนี่นี่ของจริงสวรรค์นนะ่ะสวรรค์มันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเล่าสําหรับผู้ศรัษษทธานี่ไม่ใช่ สวรไม่ใช่เรื่องเล่ามเป็นเรื่องจริงอำนาจของอัลลอฮ์เป็นอำนาจที่มีจริงอัลลอฮ์จงบอกว่จมีอะอำนาจทั้งมวลทั้งมมีอำนาจอะไรในโลกเนี้ยแต่เงียบขาวไพนตตกอนอะไรอะไรที่น่ากลัวที่ท ที่โลกเขากลัวกันหมดบูตินบูตินนี่ผู้นําประเทศยุโรปนี่เขากลัวนะรู้ว่าจะเจอกลัวเขากลัวแมกครนประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะเป็นพวกบูตินนะ่ะบูตินนี่เขาออกแบบโต๊ะประชุมให้แมกครนโดยเฉพาะความยาวของโตะประชุมเนี่ยประมาณ20เมตร ปูตินเนี่ยน <laughs> ั่งอยู่ต๊ะ <laughs> นู้นอะไรกันละครนั่งอยู่ต๊ะนั้นมันเป็นแล้วเขาทุกคนในที่ไปรัสเซียเนี่ยก็จะจะจะเซอร์ไพรส์อะไรพวกนี้ปูตินเนี่ยมันจะเล่นละครอะไรก็กลัวข้านเดาไม่ได้เลยกับคนแบบนี้น่ากลัวมากแต่สำหรับผู้ศรัทธา อัลมาคนคนน و, ึงชื่ออับุดะกีกลัยดอับดุดะกีกลัยดชื่อแปลกแปลกนะอับดุลกลยนี่เป็นอัลมาดังนะอยู่ที่อียบในศตวรรษที่แปรุ่นเดียวกับอับุตใมียรุ่นเดียวกัน สุลตนันสุลตันของอีฟเนี่ยช่งนะั้นเน่ยเรียกเรียกมาเรียกมาพบแล้วเขาอายุมากแล้วเข้าไปปุ๊บแล้ว ก, ก็เดินตามภาษาของแกนะก็เดินคนแก่เดินก็เดิน ก, ก็กเพลกก็เพลกหน่อยนะเดินกระองค์ารักที่เขาที่เขาจะนํามาเวลาเขาพาไปไปหา กษัตริย์อะไรเงี the regular, the regular ้ยจะมีคนที่ก็นาทางใช่ป่ะเขาก็บก็เร็วๆน่ยเร็วๆน่ยเร็วๆนยท่านรออยู่ท่านรออยู่ท่านมถึงว่าให้เดินรีบรีบเดินหน่อยเขาก็มองหน้าเดินช้าเหมือนเดิมกงนอย่างไงกูกำลังเดินอย่างไงเรื่องนี้อิมามนี่เขาจะได้เล่านในหนังสือดุรอัลกามินะอายาน่1 0 นี่ไงอยู่ต่อหน้าบุคคลสําคัญแต่คนสําคัญเหล่านั้นจะจะไม่ทําให้เขาเปลี่ยนอะไรแม้แต่นิดเดียวมีคนมาถามเขาว่าตอนเข้าไปพบกษัตริย์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดุเดือดมากแล้วท่านไม่กลัวหรอท่านไม่กลัวหรอเขาบอกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้านึ ก, กว่ากำลังเข้าไปพบพระเจ้า อัลล์ก็เลยเห็นการที่เข้าไปพบกษัตริย์องค์นี้เทียบแล้วกับการพบอัลลอฮ์นี่นะมันคนละเรื่องก็เลยให้การพบอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในมนภาพในจินตนาการกับข้าพเจ้ามากกว่าทำให้ทำให้ข้าพเจ้ามองกษัตริย์องค์นี้เนี่ยเหมือนเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ นี้ใครให้เบียบเทียบว่าที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนัลอิซซาตัลลอฮิจามีอาอำนาจทั้งมวลในป็นของอัลลอฮ์ถ้าพวกเราสามารถที่จะรวบรวมความรู้สึกนี้เนี่ยมากระจุกเยียงอยู่ในหัวใจของเราทุกครั้งที่มีความกลัวกลัวคนโดยเฉพาะกลัวคนกลัวคนกลัวใครกลัวอํานาจของใครอะนะให้นึกเสมอนี่ว่าอํานาจของลอะินเนียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทําอะไรอ่ะ ประท่านหนึ่งได้อธิบายเรื่องนี้ด้านปัจชเขาว่ามนุษย์เนี่ยมีองค์ประกอบสองประการมนุษย์มีองค์ประกอบสังเนี่ยนั่นคือร่างกายสรีระสองคือดวงวิญญาณวิญญาณที่อยู่ในตัวเขาในคุรานี่นะอัลลอฮ์ไม่ได้อ้างถึงอะไรในองค์ประกอบของมนุษย์เนี่ย ว่ามาจากพระองค์เนี่ยนอกจากเรื่องเดียวก็คืออรุณรูปนี่ดวงวิญญาณนี่มาจากอ l ล a h وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحٍ لَكَأَنِّي ب َ و ْ ذ ُ و َ و ع ْจากข้าไม่ได้หมายว่าดวงวิญญาณที่เราเป่าไปในบีอาดัมแล้วก็มากับ มาอยู่กับลูกลหลานของดำเนี่เป็นดวงที่มาจากอัลลอฮ์มาจากดวงวิญญาณของอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่หมายถึงว่ามาจากอัลลอฮ์เราเป็นผู้สร้างแล้วเราให้เกียรติสถาปนาดวงวิญญาณของมนุษย์เนี่ยว่ามาจากอัลลอฮ์โดยเฉพาะเจาะจงที่จริงร่างกายนี่อัลลอฮ์แตสร้างแต่ไม่มีเนี่ยสำนวนว่นวาร่างกายมาจากข่าหรือเออหรือข่าเป็นผู้ให้ร่างกายแบบนี้ไม่มีไฟเดอส่วยตู้ ถ้าได้สร้างร่างของอาดัมเนี่ยให้เรียบร้อยสร้างร่างให้เรียบร้อยแล้วนะวานาฟัคตูฟีไม่ ร, รู้ให้ละเป่วิญญาณให้ท่านจากชั้นจากวิญญาณของชั้นฝ้าก้าวลหุสซาจีนให้มาลากาได้สุ j u ดแสดงว่ามีองค์ประกอบเดียวที่มีเกียรติสูงสุดก็คือวิญญาณจิตวิญญาณของเรา ประท่านนี้ได้บอกว่ามนุษย์ทุกคนอำนาจทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยสามารถทำราร้ได้เฉพาะร่างกายแต่วิญญาณน่ะสามารถทำลายวิญญาณของเราได้ไหมไม่ได้ได้เฉพาะร่างกายและอันไหนสำคัญกว่าอ่าตอบ อันไหนสำคัญกว่าร่างกายหรือวิญญาณวิญญาณสิถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่มีชีวิตแสดงว่าชีวิตที่แท้จริงนี่คือวิญญาณด้วยเหตุผลว่าวิญญาณนี่นะจะไม่ตายยกเว้นครั้งเดียวแต่ร่างกายของเรานี่ตายหลายรอบอ มีชีวิตสองรอบตายสองรอบนั่นคือร่างกายแต่ส่วนวิญญาณเนี่ยไม่วิญญาณ น, นี่เมื่อเกิดแล้วนี่ยันเกียมัดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราแจ้งขาาา่าวยานาซ่าอืมมาสมติว่อ่านายนายปาโมทบินอาบัดได้ถึงแก่อายล อันนี้หมายถึงว่าร่างกายของเขาเนี่ยที่ตายแต่วิญญาณน่ะยังไม่ตายอันนี้เข้าใจกันไหมเข้าใจนะวิญญาณนี่ยังไม่ตายนะเพราะวิญญาณนี่แหละที่จะใช้ชีวิตในอาลัมบาร์ซห์ในช่วงโลกระหว่างดุนยานี่และก็อัคราฮาลัมบาร์ซห์นี่โลกแห่งบาร์ซห์นี่ ก็คือโลกชั่วคราวระหว่างดุนยากับอาครอนนี่จะมีโลกชั่วคราวนี่โลกบาร์ซักนี่ที่จะใช้ชีวิตนี่คืออะไรคือวิญญาณไม่ใช่ร่างกายมีชีวิตอยู่และถ้าวิญญาณของเรานี่ยังคงเป็นส่วนประกอบสำคัญในโลกนี้แล้วไม่มีใครสามารถแตะต้องได้มีหน้าซ้าเรายังสามารถที่จะบริหาร มันได้ด้วยตัวเองอันที่จริงแล้วเนี่ยวิญญาณนี่แหละที่มันบริหารร่างกายต่างหากเราไม่ควรที่จะให้มีส่วนใดของการกลัวเกรงกลัวว่าใครจะมาทาร้ายเราอย่างสิ้นเชิงที่สุดของเขาหน่ถ้าเขาจะทาร้ายเราอะนะก็ทำร้ายเฉพาะร่างกาย เขาคู่จะทำรายร่างกายจะซ้อมทรมานได้ก็จะเพาะร่างกายแต่วิญญาณนี่ไม่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا มีความสามารถที่จะให้ชีวิตของเรานีอยู่กับวิญญาณโดยไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของร่างกายได้ทาไม วันนี้วันนี้เกาเหล่าใช่ไหมวันนี้เกาเหล่าใช่ไหมยังง่วงยังยังไม่ง่วงนะเอาใหม่ร่างกายของเรานี่กำลังเจ็บปวดอยู่เจ็บปวดแน่นอนเจ็บปวดแน่นอนแต่อัลลอ์จะให้เราในช่วงที่เราเจ็บปวดร่างกากำลังเจ็บปวดนะจะให้เราได้มีความสุข ไม่รู้สึกถึงข่าความเจ็บปวดมีน้ำซ้ำอาจจะให้ความเจ็บปวดนั้นน่ะเป็นความสุขยกตัวอย่างที่พวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเจอชอบเล่นบอลแล้วก็โดนเตะบ้างโดนเล็บฉีกบ้างโดนกระแทกบ้างเจ็บเจ็บก็เจ็บนะเล่นต่อไม่ไหวไหม ไหวไหมทำไมอ่ะกูชอบไม่เป็นไรกูชอบอะไองเสูบบุหรี่สูบบุหรี่รอะไรไอ้พวกไอ้พวกสูบบังรู้ไหว่านี่บุหรี่นี่มันงแท้ๆกูรู้บังรู้ไหว่านี่ตายตายนพวก ตายในพอบุรีนี่นี่ใช่ฮีบุรีเลยนะกูรู้แล้วใบบังทำไมไม่เลิกอ่ะกูชอบกูชอบเทียบได้เลยนะทุกเรื่องที่เราชอบนี่นะวิญญาณของเรานี่มันชอบอ่ะวิญญาณเรามันชอบร่างกายมันจะเละแค่ไหนมันจะเท็บแค่ปวดแค่ไหนไอ้วิญญาณเราก็ช่างมันช่างมันกูชอบ กูชอบเชฟที่เขาชอบทำกับข้าวอะนะไปดูดีมือเขาอะเดี๋ยวก็หั่นปลานี่ก็บาดนี่ก็พันนะปตเตอร์เดี๋ยวก็โดนโดนกระทะร้อนเนี่ยเดี๋ยวก็ปิดปิดปเตอร์นี่ยอยู่อย่างนี้นี่อยู่ในครัวนี่ชั่วชีวิตนั่นหนะ่ยสบาปีนี่นนไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หางานที่สบายกว่านี้กูชอบชอบคือถ้าเขาไม่ชอบมันะทุกอาชีพเลย ถ้าคนที่ทำงานในอาชีพ น, น, นั้นนะ่ะเ้าไม่ชอบอะไรนัอยู่ต่อไม่ได้หรอกผมนึกว่าไอ้รื่ทำกับข้าวเนี่ยมันเป็นไฟบังคับไหมหมายถึงว่าเ้าทำมาหากินก็ต้อ ง, ต, องต้องทำเดีย่ไม่เลยปรากฏว่าคนเราเนี่ยวลารวยแค่ไหนเน่นะไปดูได้เลยรวยแค่ไหนดังแค่สุดท้ายนี่ก็มาทำกับข้าวเอง มาทำกับข้าเองผมรู้นี่นักการเมืองคนหนึ่งนักการเมืองรวยระดับร้อยล้านนะทุกวันต้องท่องตากับเข้าเองแล้วจะเลี้ยงนี่แกต้องเข้าเป็นเหมือนเป็ น, เ ป, นเป็นช่างแกงเลยนะตรงๆแกงเองอะไรเองเลยทำไมอ่ะกูชอบแล้วคนอื่นก็ทําให้เลยก็อยากทําเองคือถ้าวิ ญ, ญญาณมันชอบอะไรนะร่างกายนี่ต้องสวามิภักดิ์ อันนี้ที่พูดไปแล้วนี่นะอันนี้เรื่องเรื่องเลอะเทอะทั้งนั้นเอามาเรื่องจริงเคยไหมละหมาดเกียมุ่นเลนล้วปวดหลังปวดขาปวดหลังปวดขาแต่ก็ละหมาดต่อปวดปวดนะมันปวดนะ่ะมันปวดไม่ต้องละหมาดเกียมุ่นเลนเนี่ยบางทีนี่ละหมาดฟอรดูนี่แหละหรือทำไมบาดได้แล่ะถือบวชถือสินอด หิวไหมหิวน้ำไหมหิวแก่บวชสิไม่แก่ยังไงก็ไม่แก่เพราะในเมื่อจิตวิญญาณนี่บัญชาการแล้วในร่างกายนี่จะต้องสวามิภักดิ์ต้องยอมครับและจิตจิตวิญญาณนี่มันอยู่ที่ใครมันไม่อยู่ที่ใครในโลกโลกนี้เนี่ยเขาจะมาบัญชามายุ่งอะไรไม่ได้จะมาทําร้ายไม่ได้ และในเมื่อจิตวิญญาณเนี่ยมีเราคนเดียวที่สามารถบัญชาการมันได้สแสดงว่าเราไม่ต้องกลัวอำนาจใดๆในโลกนี้ที่จะมาทำร้ายเราในเมื่อวิญญาณนี่อยู่กับเราอีมาอุตเตมีนี่ถูกคมคูจะถูกฆ่าจะถูกอจะถูกติดคุกจะถูกเนรเทศสามอย่างนี่คือสุดสุดแล้วไนหะถูกปหารชีวิต ปกคูนว่าดยจะประหารชีวิตเอ้าเอ็เียด้บอว่ามฟาลูออีบีศัตรูของฉันเนี่ยจะมาทาอะไรกับฉันอนาตลีชาดถ้าจะฆ่าฉันนะนะการเสียชีวิตของฉันเนี่ยก็เป็นชาดนหมายถึงก็เป็น شهيد ตรงการอยู่แล้ววซีคถ้าจะให้ฉันติดคุกนะโอ้โหน่สุดยอดที่ฉันต้องการจะได้มีคลรัว แต่ได้อยู่คนเดียวสิกลุณาทําไอิบาได้เองนี่เขาได้ขลวนนี่ก็หมายถึงว่ามีสมาธิในการทํำอิบาได้ต้องการเลยลองคิดดูสิคนมาคูจะมาคูใครเนี่ยดูเดาติดคุกเลยนะแต่เขารู้ว่าไอ้ติดคุกนี่มันชอบอ่ะอในเนี่ยี่มันชอบหมายถึงว่าเขาคุยกันนะอิเดยเนี่ยนี่อยไปขูติดคุกเลยมันมันไม่กลัวมันไม่กลัวหรอก <imir Sham krit> อิมเจมียติดคุกอยู่ครั้งนึ่งนานนี่สุนี่ก่อนนี่จะเสียชีวิตก่อนนี่เสียชีวิตนะเขียนหนังสือเขียนหนังสือยังเหรไม่มีตำราไม่มีอะไรนะจากความจำถึงอุลามะในยุคนั้นยอมรับในความสามารถของอิมเจมียเขียนหนังสือเขียนหนังสือเขารู้ว่าความสุขของอิมเเมียในการเขียนหนังสือก็เลยยึดเลยมาให้มีกระดาษไม่ให้มีปากกาท่านก็หาหาวิธีทางเขียนหนังเขียนในในในผนังคุกอ่ะ ผนังกุกเขียนความรู้ยึดหมดเลยอะไรที่จะใช้เขียนเนี่ยยึดหมดเลยอ่านกาุษานอ่านกุษานไม่รู้กี่จบอยู่ในคุกที่มีอะไรหลักที่จะห้ามที่จะห้ามผู้ศรัทธาได้บริหารชีวิตของตัวเองและในขณะที่มนุษย์เนี่ยได้รวมตัวกันจะได้ซ้อมทรมานทำร้ า, รายร่างกายของเราไม่แน่ ในขณะที่ร่างกายของเราเนี่ยกำลังเจ็บปวดนั้นอ่ะอัลลอฮฺอาจจะให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยกำลังสัมผัสกับความสุขก็ได้นี่นี่เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ไแต่เรามีตัวอย่างให้เห็นไงเล่นบอลกันเจ็บก็ยังเล่นต่ออะไรเงี้ยเราเห็นเห็นกันเป็นไปได้กำลังถูกซ้อมทรมานแต่เรามีความสุขเราถูกรุกลมถูกอาถมให้เจ็บใจให้ให้เสียใจแต่ปรากฏว่า เรามีความสุขแต่ทั้งหมดนี้นะจะต้องรู้ว่าไม่มีอำนาจใดๆเหนือจิตวิญญาณของเรานอกจากอัลลอฮฺสุฮานะวตาและนี่คือความหมายอินน่ลอิซัตเลิลเลยจะมีอำนาจของอัลล์นี่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเราที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ในโลกนี้ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้นะนอกจากอัลลอ์ ถ้าเราเพึ่งพาอัลลอะ์อย่างเดียวนะเราปลอดภยัยหัว ส, สมีญอลอลีมพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ได้ยินคนที่เสียใจและขณะที่เสียใจนี่เขาไม่มีอะไรที่จะประรบไม่มีใครที่จะประรบแล้วบ่นให้ฟัง แล้ววิงวอนให้ช่วยเหลือนอกจาก a ล l a h แต่ตอนที so see, so so heures, really. alone, ่เราอย่างวิกฤตตอนที่เราไปเชิญกับยาอย่างวิกฤตเนี่ยรู้เลยให้โทรไปหาคนนั้นเดี๋ยวมันวางหูเฮ้ยคนนั้นโอ้ไม่ไม่ไม่มันไม่มันไม่ช่วยเราไมต้องไม่มีเลยไม่มีใครช่วยเราจริงๆแต่ไม่มีนะคนที่รับหันแบบนี้เนี่ยคนที่เดือดร้อนแบบนี้เนี่ย ที่จะยกหูคุยกับอัลลอฮ์นี่นะมีแต่อัลลอฮ์กู้เดียวอัมไมยูจีบุลมุตอัลลอฮ์ท้าทายเนี่ยอายะนี้อัลลอ์ท้าทายคนนี้วิงวอนเนี่ยพวกเองเนี่เดรร้อนแค่ไหนนะดูสิเวลาเดรร้อนเนี่ยคุยกับคนนู้นขอคุยกับคนนู้นขอความช่วยเหลือมีมีใครฟังแต่สำหรับอัลลอฮ์นี่อัมไมยูจีบุลมุตต์รแต่ดาถ้าคนเดรร้อนเนี่ยยกมือขอดุอาต่ออัลลอ์ใครเล่าที่จะฟังเขานอกจาก ใครล่าการที่เรายกมือยามที่เราเดื อ, รอดรนะ้อนน่ะและมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ฟังนี่นะคนเรานี่หลายระดับหลายระดับบางคนเนี่ยยกมือนี่เพราะไม่มีใครละที่จะช่วยนอกจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะเป็นที่พึ่งผู้สุดท้ายไม่ผิดนะแต่ผิดแต่ไม่เหมาะตรงที่ว่าไม่นึก ถึง Allah ตลอดเวลามนึกถึง Allah ตันดออนนบีอินสันอับดุลลาห์มีอาบัสเาเรยกในเรื่องน้เรกเ้ายามเดือดร้อนมาท่านหนึ่งบอกว่าเดือดร้อนนี่ผู้ศรัทธาอาจไม่ต้องวิงวอนก็ได้ทาไมอ่ะเพราะวิงวอนก็วิงวอนก็ Allah ตลอดพอ a l l h เห็น เบาของพระองค์ที่วิ่งวนตลอดโดยเฉพาะยามสุขสบายยามที่ยามที่เขาไม่เขาไม่ต้องดูอาก็ได้เนาะแต่เขาไม่ทิ้งดูอาต่ออัลลอฮฺเป็นนิจซินเป็นดูอาสม่ําเสมอเขาจะเดือดร้อนไม่ได้เขาดูอาตลอดเพราะพอเขาเดือดร้อนยังไม่ทันจะยกมือขอดูอานะอัลลอฮฺช่วยแล้วทาไมอ่ะเพราะอัลลอฮฺรู้จักคนที่ วิงวอนต่อพระองค์ตลอดเวลาไม่เคยลืมอัลลอฮ์อัลลอ์จะเป็นผู้ริเริ่มในการช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอนถ้าเราศรัทธาว่าอัลลอ์ทรงได้ยินถ้าเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นยามเดือดร้อนของเราที่คนมากันแก้งมารังแกเรานะอัลลอ์จะเป็นที่พึ่งของเราที่จะไม่ปิดประตูจะไม่วางหู จะไม่อ่านลายแล้วไม่ตอบเคยโดนไหมเคยโดนไหมก็อ่านลายแล้วไม่ตอบช้ำใจไหมมันอ่านลายแล้วไม่ตอบร้องหอบร้องหก้อ ง, อ ง, อ ง, องห้ยอ่านลายแล้วไม่ตอบไม่มีนะดูอาของอัลลอ์นี่ดูอานี่มันสร้างพลังแม้กระทั่งดูอาที่เรารู้สึกว่าอัลลอ์ไม่ตอบรับนะ ดูอาเอาเรายังไม่ให้นะไม่ใช่ดูอานี่พลังเสมอยกมือขอดูอานี่มีพลังตลอดแต่ถ้าเราบริสุทธิ์ใจและก็จริงใจในการขอต่ออัลลอฮ์นี่ขณะที่ขอดูอานี่อัลลอฮ์จะจะหยอดให้หยอดกําลังใจหยอดพลังหยอดความช่วยเหลือหยอดความรู้สึกดีๆขณะที่เราขอดูอาต้องต้องเราต้องสัมผัสกับเรื่องนี้ให้ได้ สัมผัสกับเรื่องนี้แลวต้องสัมผัสกับกรณีที่เราถูกกังแกและไม่มีใครปลอบใจเรานอกจากอัลลอฮว่าอภินิหารช่วงนั้นอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในในยามที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีทางรอดแล้วเนี่ยทางรอดนี่จะมาจากอัลลอฮยังไงนี่มาจากอัลลอฮแน่นน ขับฝ no ่าวายกบินองค์ผู though, ้ให้ถวิลนะขับวซละละลาฮุะอาลาะนบีะมูฮัมมัดีละอาลีุะสาบีุะละมีขั้นต่ำมขับคนที่นั่งละหมานี่มีสองทศนะทศนะอุลมะส่วนมากบอกว่าบอกว่าถ้านั่งละหมานี่คนที่ตามนี่ก็ต้องนั่งด้วยเพราะว่ามีฮะดีที่เสนออยูว่าอินนามาจุอันอิมามุลยุตม์บี อิหม <Par adi est farming> ่ามถูกแต่งตั้งไว้ให้มะมูมนีตามและในท้ายฮะดีษนี่ยนบิวั่าอถ้าถ่าลล์จาลิสันศลลูจุลูสันอัจไม่และถ้าอิหม่ามละหมาดถ้านั่งพวกเจ้าก็จงละหมาดนั่งแต่ในบั้นปลายชีวิตของท่านนบีก่อนเสียชีวิตน่ะนะมันมีเหตุการณ์ที่ท่านอบุบัก ได้ตามละหมาดท่านนาบีนบีละหมาดนั่งเราบักละหมาดยืนแล้วก็นบีละหมาดนั่งอยู่ในห้องในบ้านแล้วก็อบูบั克รท่านเดียวที่เห็นท่านนบีเอาบูบั克รตามท่านนบีแล้วก็มะมุมในมัสยิดนี่ก็ตามท่านนา บ, นตนตานนาบีตามอบูบั克ร์อับูบัครยืนนะแล้วก็มะมุมที่มัสยิดทั้งหมดนี่ก็ยืนแต่ตัวนบีเนี่ยที่เป็นอิห ม, มัมแท้นะละหมาดนั่ง ทำไมโอุลามาบางท่านบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์สุดท้ายในชีวิตของท่านนะบีน่าจะเป็นเหตุการณ์ดียกเลิกคาสั่งก่อนหน้านี้จึงมีทัศนะจึงเป็นทัศนะที่มีน้าหนักมากกว่าว่าถ้าอิหม่ามละหมาดนั่งมะมุมเนี่ยให้ละหมาดยืนและถูกยกเว้นจากคำสั่งว่าอิหม่ามทำยังไงก็ให้มะมุมทาเหมือนหมายถึง ในสิ่งที่ไม่ขัดกับความสามารถของรุกุลเพราะมะอิหมามนี่ละมาดนั่งเนี่เพราะยืนไม่ไหวแต่มะมูมนี่ทั้งหมดจะไม่ไหวอ่ะมะมูมนี่ไหวทั้งหมดก็ต้องยืนเพราะมันเป็นรุกุลจะตามอิหมามไม่ได้แล้วเขายกตัวอย่างเหมือนอิหมามละมาดูรี่สี่แต่อิหมามเนี่ยเชื่อในใจเนี่ว่าเขาละมาดสามแล้วก็ลุกขึ้น มาเอาอีกกรากาหนึ่งตามได้ไหมตามไม่ได้ตามไม่ได้มะ ม, ม, มุมนี่ตามอิหมัมไม่ได้เพราะทำไมสําหรับอิหมัมเนี่คเขาชื่อว่าสี่แต่สําหรับมะมุมนี่ชัดเจนว่าหา้าละหมัดดุรีหา้ารู้ละหมาดดุรีห้าได้หรอไม่ได้เอะละมะมุมทํายังไงอะมะมุมนี่ก็นั่งตะฮียาเฉยเฉยนั่งรออิห ม, มัมจนกว่าอิห ม, มัมละหมาดของเขาอะนะ แล้วก kind of nah? nah? nah? <laughs> bon ็สละวัน oh, ี้ขนาดทักแล้ว่นะสุบฮานอัลลอฮ์ทักนี่สุบฮานัลลอฮ์นะไม่ใช่อิมามฮาเลนะสุบฮานัลลอฮ์ไม่ใช่อิมาม้าแล้วนะสุบฮานัลลอฮ์ไทยพวกมีบองคนในบ้านเราบ้าคนไทยนี่แม่วันใดนี่มีมีคำทักไม่เหมือนชาวบ้านเลยได้ยินบ่อยเอา นี่ทุกที่เลยอะ่ะเอาเอาอะไรคือรุนคือตกใจไปบวมทําแล้วก็ไม่รู้จะกระยังไงสุบฮานอัลลอฮ์อะไรเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้สุบฮานอัลลอฮ์อย่างเดียวนะ่ะสุบฮานอัลลอฮ์แล้วอิหมัมไม่เชื่อละ่ะอรอนั่งรอจนอิหมัมสาลามเสร็จแล้วเนี่ก็บอกอิหมัมละหมาดห้าไปนะแต่ต้องต้องบอกหลายคนเดี๋ยวอิหมัมเขาดื้อไปอิหมัมละหมาดห้านั่นต้องสุส้จุเซฮุยพูดแล้วก็สูดเซฮุย เวลาเรากดใครมากๆแล้วก็เหมือนอยากจะรอวให้กาเนาะลงโทษให้มันเป็นมะเร็งสะให้มันตายสะให้ขาหักสะแต่เราคํานึงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ก็กเลยคือว่าเราคํานึงแต่อยากใจใจก็อยากแต่ว่าเรารู้ตัวว่าสิ่งเนี้ย ม, มันเป็นที่ห้ามนะในนี้ยครับแต่สามีทาขงของยังไนบ้างทําเวลาผมพร้อมากใน คนที่เราโกรธนั้นน่ะเขาอาจจะเป็นที่รักของเราสักวันหนึ่งก็ได้คนที่เราโกรธนะมีให้เห็นเยอะในประวัตินั้นนบีก็มีแต่นบีมองไกลไงอูมารุนลขตเป็นศัตรูชาติ र, เป็นคนเดียวในมกาที่กล้าประกาศแล้วก็วางแผนว่าจะฆ่านบีประกาศเลยกูนี่แหละที่จะฆ่าจะฆ่ามุฮัมมัดและนบีรู้แต่นบีทําอะไรดธิษานเขาแต่สุดท้ายนอูมาร์เป็นใคร คนที่เราโกรธมากเกลียดมากเนี่ยอาจจะเป็นคนนี้สักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีประโยชน์สําหรับเราก็ได้จะขอดู้อะไรที่สุดสุดโอ้เออจัดการจัดการเขาตามความเหมาะสมที่พระองค์ทรงประสงค์มอบหมายเราจัดการจะจัดการยังไงก็เป็นเรื่องของอัลลอฮฺมาจากอะไรนะ ใช่พวกนี้พวกที่ทำทำคอนเทนต์อะนะถ้าฐานเนื offended, ó, la la, ้อหาและคอนเทนต์เนี่ยฮัลโหละก็ภาคที่มันปรากฏมันไม่ผ่านโฆษณาที่ฮ ARAM ก็ฮัลลั เข้าใจโฆษณาของพวกเขาซึ่โฆษณาของพวกเขาเนี่ยบางทีเราคุ้มไม่ได้เขาเอาโฆษณาในคอมพิวเตอร์ก็ไม่ทราบเราคุ้มไม่ได้แต่เรามีทางเลือกที่จะเสนอโดยไม่ไม่เอาโฆษณาเลยก็ได้แต่ถ้าเราเปิดช่องให้เขาหาโฆษณาหากินกับโฆษณาผ่านช่องของเราเนี่ย แล้วก็รายได้ของเราเนี่ยก็มาจากส่วนแบ่งของโฆษณาของค่าโฆษณาเหล่านี้นี่นะมันก็จะมีส่วนที่อาจจะเป็นรายได้จากโฆษณาที่ไม่ฮาเลลก็ได้เรื่องนี้ให้ให้ดูความเหมาะสมนะเพราะโดยรวมการหาทาหากินหรือหารายได้จากจากโซเชียลนี่มีปัญหายะถ้าอยากได้รายได้ที่มันไม่มีชุบฮัดเลยอะนะ ก็มีวิธีที่ทําแล้วก็ให้คนสนับสนุนโดยตรงแปึงว่าไม่ไม่ผ่านเขาไอคนนี่ชอบคนเทนนี้เนี่ยก็ให้เขาสนับสนุนโดยตรงซึ่งน่าจะมีช่องทางใช่ปะมีช่องทางเพราะมีคนเชี่ยวชาญเรื่องนี้ไปปรึกษาได้ปรึกษาฟรีก็ลองดูนะครับเราเป็นหนี้คนหนึ่ไนะครับและทนี้เขายกหนี้ให้เราแต่ว่า ประเด็อไอ้กนณีเนี่ยมันจะเป็นโคลในวันเกลียมากเขาเป็นหนี้เราเราเป็นหนี้เขาเราเป็นหนี้เขาเราเป็นลูกหนี้แล้วแล้วเขาเนี่ยยกให้ยกให้ชัดเจนในโลกนี้ใช่ใข้ายกให้ในวันเกลียมาเนี่ยในส่วนเนี้ยมันจะต้องไปเคลียร์กันดีไม่ไม่เคลียร์แล้วเายกให้แล้วชัดเจนนะว่ายกให้นะไมมันก็มีมันก็มีพวกมัศขับซื้อเบื่อ มาสาบซื้อบื่อนึ่วันอีทนี่ขอมาอับด้วยนะมีอะไรก็ยกให้ผมนะเออเอ อ, เ อ, อนั่นไงนั่นไงเขายกให้ผมแล้ว้เนียอะไรแบบเนี้ยไม่ชีนี่เป็นสตางค์ด้วยนะอย่างอื่นด้วยนะเรื่องล่งเกินเรื่องอะไรที่ฮาหลันให้อะไรเงี้ยแล้วก็มาวันอีทนี่เนึ่ยมาอับกันนั่นไงเขามาอับแล้วแล้วก็เขา วันอีนี่เขามาแล้วร้องไห้ด้วยไอ้นะอย่าทําเป็นเล่นนะไอ้เริงมาฟนี่ก็ต้องมาฟจริงๆมาฟจริงจั ง, จงไม่ใช่แบบรุมรวมแแบบแบบคุมเครืออะไรแบบนี้ไม่ได้เช็คติ๊กประเด็นคือถ้าสมมติว่าเราไปละหมาดในที่ที่มันแมันจัดละหมาดจะมาอยู่แล้วเช่นมุซัลลามัสยิดเนี้ยแต่ไม่มีใครมาเลยแต่เราก็ตั้งใจจะไปละหมาดจะมาได้ผลละบุญจะมาได้ผลละบุญจะมา อาจจะไม่ยินมาะไรก็มาละหมาดก็ได้จริงนะถ้าเราตั้งใจแล้วก็เลาได้บทลบทของขงมะมาละกันสุดพระองค์ Allahumma b i h d i r i l a n a s a f o u q a